นี่ชีวิตของคนเราเกิดมาในโลกนี้นะมันต้องมีเหตุมีปัจจัยคนไม่รู้จักเหตุไม่รู้จากปัจจัยของชีวิตมันก็ไม่ได้พบกับความสุขความเจริญเหตุปัจจนะัยนั้นมันมีอยู่ทั้งสองอย่าง เหตุดีก็มีเหตุชั่วก็มีปัจจัยดีก็มีปัจจัยชั่วก็มีมันมีอยู่ทั้งสองอย่างอย่างนี้ในชีวิตของคนเรานี่นะมันมีมาตั้งแต่อดีตชาติหนหลังนู่นมันติดตามมาทั้งสองอย่างนั่นแหละด้ฉะนั้นเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาอย่างนี้แล้วนะ พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราเลือกเหมนนี่เลือกเหตุที่ดีละเหตุเหตุที่ชั่วออกไปจากกายว่าจาใจนี่เลือกปัจจัยที่ดีละปัจจัยที่ชั่วออกไปอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นในธรรมวิจยะนั่นแหะ นในโพชงเกตเนะ่ยความสอดส่องทำแต่ว่าคำว่าเราสอดส่องดูจิตใจตัวเองนี่ว่าใจชั่วมันมีอยู่หรือไม่หรือมีเจ็ดแต่ใจดีหรือมันมีทั้งสองอย่างแต่แน่นอนคนธรรมดาสามา น, นิต้องมีทั้งสองอย่างอบางคราใจก็เกิด คิดชั่วขึ้นมาบางคราวก็คิดดีขึ้นมามันมีอยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพบพระพุทธศาสนาแล้วก็ข้อปฏิบัติพระพุทธเจ้าทรงแนะนำทางสอนนะข้อปฏิบัติสำหรับที่จะให้เราทำจิตให้สงบให้มีปัญญารู้จักเลือกเฟ้นทำอันเกิดขึ้นกับใจเนี่ย ส่วนใดที่ไม่ดีกำหนดละมันทิ้งไปส่วนใดดีเราก็กำหนดรู้ไว้ธรรมที่เกิดขึ้นในใจเช่นธรรมธรรมที่เป็นกุศลเกิดขึ้นในใจอย่างเช่นมาเกิดความดําหลี่ขึ้นในใจว่าทาอย่างไรหนอเรานี่ถึงจะพ้นจากความทุกข์ได้อย่างนี้นะ ไอ้ความคิดอย่างนี้เนี่ยมันเป็นฝ่ายกุศลคือเป็นความฉลาดเห็นทุกข์ภายในสงสารและอยากค้นทุกข์ความดำริอย่างนี้คือว่าเป็นสัมมาสังกับโปเป็นความดำริชอบอนี่นะเมื่อดำริอย่างนี้แล้วมันก็จะต้อง พิจารณาถึงพระธรรมคำสอนที่พระองค์เจ้าทรงแสดงไว้พระองค์สีหนทางออกจากทุกข์ไว้อย่างไรแล้วก็วกขคาพระธรรมคำสอนเข้าไปทั้งได้เรียนมาและได้ฟังมาอย่างนี้นะมันจนว่าเหลือเพื่อนั่นแหละไอที่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ามาเนี่ย หรือได้อยู่อ่านในตำรอตรามาก็เยอะแยะแต่ข้อสำคัญอยู่ที่ว่าจิตใจของคนเราเนี่มันไม่ดูดดื่มในข้อปฏิบัติเหล่านั้นที่ไม่ดูดดื่มก็เพราะมันเห็นไม่เห็นทุกข์เห็นภัยไม่เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารจึงไม่อยากพ้นจากทุกข์ในโลกนี้และโลกหน้า เมื่อมันไม่เห็นภายในสงสารแล้วมันก็มีจต่เลิดเพลินไปตามอารมณ์ต่างๆในโลกดังนั้นมันจะไปยินดีพอใจอยากจะพ้นทุกข์ยังไงแล้วพอมันไม่เห็นทุกข์เห็นแต่วความสุขชั่วคราวเท่านั้นผู้ที่มาฝึกใจของตนให้สงบลงไป ได้อย่างนี้แล้วเมื่อใจสงบลงแล้วมาลำพึงดูชีวิตนี่มันก็เห็นเต็มไปด้วยความทุกข์ความลําบากอืมันเห็นได้ชัดเลยถ้าใจสงบลงไปแล้วนะหายจากความเพลิดเพลินมัวเมาแล้วหยุดนิ่งอยู่ที่เดียวในปัจจุบันนี้แล้วมามองดูชีวิตนี่แน่นอนนะอืม มองดูผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกวนี่ล้วนแต่เป็นทุกข์กับมันทั้งนั้นเลยใครเป็นทุกข์ใจแล้วเป็นทุกข์อ่ะไอ้ผมอย่างนี้สำหรับผู้ไหว้ผมก็เป็นทุกข์กับผมต้องสางมันต้องดูแลมันไม่เช่นนั้นก็เกิดเหาเกิดไรขึ้นมามเกิดกลิ่นไม่ดีขึ้นมา ต้องมีน้ำยาฆ่าเชื้อหรือมีน้ำยาสำหรับขับ ไ, ไ, ไ, ไล่อ้กลังแค้อะไรที่มันจับอยู่บนศีรษะนี้นี่แหละไอ้ผู้ชอบกับผมมันก็เป็นทุกข์กับผมขนมนูนี่จะว่ามันไม่นั่นเนี่ยมันไม่รำงคาญ ขนนี่ก็สําหรับเป็นที่หลังออกมาซึ่งเหงือกไข่นั่นแหละเหงือกไข่เมื่อมันร่อนๆมาบางกระหลังออกมาจากขุมขนนี่แหละเหงือกไค่ต่างๆอย่างนี้ไม่ใช่เป็นของดีอ่ะถ้าไม่อาบนะ้ำไม่ชําระแล้วก็ส่งกลิ่นเลยอมืมันเป็นยางไ น, นเล็บก็เหมือนกันนะถ้าไม่ตัดเล็บไม่แคะมูลเล็บซะก่อนน่าเกลียด ไม่น่าดูเลยอืมเป็นงฟันยิ่งแล้วถ้าไม่ชำะระเศษอาหารออกไปปล่อยเศษอาหารมันติดค้างอยู่ในช่องวันนะส่งกลิ่นเหม็นออกมาเลยอืมเป็นเพราะนั้นจึงได้ชำระล้างวันอยู่เสมออ่อ ม, มันถึงไม่ ทรงกลิน่นออกมามันจึงไม่เกิดเป็นโรคฟันผู้ที่เป็นโรคฟันนั้นก็พรเห็นว่าไม่รักษาฟันให้สะอาดมันหมักหมมเชื่อมากๆเข้ า, ามันก็เกิดเป็นตัวโรคขึ้นมาก็กินรากฟันนั้นให้ผุไปเกิดอักเสบขึ้นปูวัดฟันอย่างแรงอัะนนะี้หมู่นี้นะ มันเป็นของดีเมื่อไหรแล้วฟันก็ดีแล้วไปอวดกันว่าเท่าไม่ไม่คิดถึงความจริงของสิ่งเหล่านี้นนหนังก็เหมือนกันนะหนังนี่ถ้าไม่อาบน้ำไม่ชำระไม่ขัดคลไม่ถูสบู่แล้วนั่นแหละสิ่งปฏิคูลมันออกมาจต่ข้างในล่มมันก็มาติดอยู่ที่ผิวหนังเนี่ย ที่เราก็เรียกกันว่าเหงื่อใครนั่นแหละจำเป็นต้องได้อาบน้ำชำระขัดใครอยู่เสมอเสมอมันก็จึงพออยู่ได้นี่ลองคิดดูไอ้มันจะมีสิ่งใดที่น่ายินดีพอใจคนไม่คิดไม่กรองให้ละเอียดถี่ถ้วนทั้งหากลกที่มันหลงยินดีพอใจ กับรูปต่างๆดังกล่าวมานี่นะหนังนี่สำหรับุ่้ห่อเอาอยู่ว่าภายในต่างๆไว้เพื่อปกปิดสิ่งศกกดปกโสมมต่างๆไว้ถ้าว่าลอกหนังนี่ออกแล้วไม่มีอะไรน่าดูสักหน่อยเดียวร่างกายอันนี้นะมีแต่น้ำเลือดน้ำเลืองอะไรไหลเยิม้มออกมา สิ่งโทกโปกมันได้กระจายออกมาเลยถ้าลอกหนังนี่ออกไปแล้วนะอืมมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นมันพอดูกันได้อยู่เพียงแค่หนังหุ้มอยู่นี่เท่านี้แหละรูปร่างกายอันนี้นะพิจารณาให้มันเห็นแล้วมันจะหายสงสัยเมันหายสงสัยแล้วมันก็จะวาง อ, อุเบกขาลงได้ในรูปทั้งหลาย เือหายสงสัยว่ารูปนี่ไม่ควรรักไม่ควรชังหมายความว่าอย่างนั้นพี่นาเห็นแล้วไม่น่ารักไม่น่าชังอะไรเลยอควรวางอุเบกคขาลงนี่พิจารณาลงไปมันสิ้นสงสัยแล้วมันก็ไม่หลงรักหลงใครหลงยินดีพอใจแต่นี่คนส่วนมากไม่ได้พิจารณา ให้ถึงความจริงดังกล่าวมานี้เพราะฉะนั้นมันจึงได้เกิดความรักความไข่ผูกพันกันเข้าถ้าผิดหวังไม่สมหวังก็เกิดพยาบาทจองเวรกันฆ่าแกงกันให้ตายไปนี่ความรักกับความชังนะมันเป็นคู่กันอย่างเนี้ยความรักมีอยู่ที่ไหนความชังก็มีอยู่ในที่นั้นแหละ เพราะว่าความรักนั่นหมายความว่าเมื่อได้สิ่งที่ตนรักมานั่นชื่อาสมหวังคันได้มาแล้วธรรมชาติของไม่เที่ยงมันก็ย่อมแปรไปรต่างๆนาน า, น า, นามันหาคงที่อยู่ไม่ตลอดถึงจิตใจของคนผู้ไม่รู้ธรรมของจริงมันก็แปรเปลี่ยนหมุนเวียนไปตามหน้าของกี่เลย เมื่อใจมันเปลี่ยนแปลงไปจากธรรมะไปสู่อำนาจของกิเลสมันก็แสดงออกทางกายทางวาจาไปในทางแห่งความรักความชังความเพลิดเพลินมัวเมาอย่างนี้แหละถ้าเป็นภรรยาไม่ดีทำไม่ดีต่อสามีสามีก็นึก เอ๊แต่เบื้องต้นมันดีอยู่นะเราไม่นึกว่ามันจะเสียหายอย่างนี้โออทําไมมาวันนี้จึงเป็นอย่างนี้หนอมิตกเข้าไปกมากเข้าทีแรกก็ห้ามกันดีๆไอ้ฝ่ายนั้นก็ไม่ใช่เล่นก็โตเถียงเข้าบันดาลโทสะขึ้นทกกันตีกนเอ้าใครดีก็ใครอยู่วันนี้นะ นี่ถ้าพารนนาถึงโทษของกามคุณสำหรับผู้บริพูดถึงจิตใจของคนเราเป็นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นให้พึงพากันสังเกตดูจิตใจตัวเองมันมีทั้งปัจจัยส่วนดีและส่วนชั่วมันนี่เราเลือกเฟ้นเนา ภาวนาดูเข้าไปอารมณ์อนไดมันไม่ดีเราก็รู้เราเรียนรู้แล้วเรากำหนดละมันทิ้งไปอารมณ์อนไดเป็นฝ่ายกุศลเราก็เจริญให้มากเข้าไปอย่างนี้อย่าไปเอาส่วนชั่วมาพนไปกับส่วนที่ดีนี่เราต้องรู้จักเลือกเฟ้น ก็เพราะเทไนตะไรมาต่ไนตะไรมาภายใน จ, จิตใจของคนเรานี่นะมันก็ยึดเอาทั้งดีทั้งชั่วติดตัวมาต้องเข้าใจให้มันท่องแท้มาวันนี้เมื่อเรารู้แนวทางปฏิบัติแล้วเราจะคัดเอาแต่ส่วนที่ดีๆส่วนชั่วนั้นจะไม่เอา อย่างนี้แหละความมุ่งหมายของการปฏิบัติการที่เราจะคัดสิ่งที่ชั่วออกไปมันก็ต้องอาศัยการทําใจสงบสะกอนเมื่อใจไม่สงบแล้วมันเลอะไปหมดนะมันผสมประสานกันไปหมดหน่อหนึ่งก็คิดดีหน่อหนึ่งก็คิดชั่วอย่างนี้นะมันจะไปแยกกันออกได้ยังไงอ่ะเมื่อใจไม่สงบ เมื่อใจสงบแล้วมันมีอารมณ์เดียวมีแต่อารมณ์ที่เป็นกุศลอยู่ในใจอารมณ์ที่เป็นกุศลนันเป็นพื้นฐานของใจทำใจให้ตั้งมั่นลงไปแลว้วพอ น, นี้มาใช้ปรรัญญาพิจารณาถึงความโลภความโกรธความหลงมเนี่ยมันมีโทษมีภัยอย่างไรต่อชีวิต จ, จิตใจ เมื่อเราพิจารณาเห็นโทษของความโลภความโกรธความหลงชัดด้วยปัญญาแล้วมันก็เบื่อหน่ายกิเลสเหล่านี้นนเมื่อเบื่อหน่ายแล้วมันก็คลายความยึดถือแล้วเมื่อคนใดคลายความยึดถือความโลภอย่างนี้มันก็ไม่ไปเบียดเบียนเอาสมบัติของใครและใครก็ไม่ไปแย่งชิงเอาเมีย เ, เอาผัวของใคร จนหาได้โดยทางบริสุทธิ์มาอย่างไงก็ยินดีพอใจด้วยกันอยู่ยงั้นไม่โลเลนี่ชื่อว่าเป็นผู้ไม่โลภในกามทั้งหลายนี่เราพี่นณะาเห็นโทษอย่างความโกรธอแล้วอย่างนี้เราก็มาเจริญเมตตากรุณานี่ให้มา ก, มากๆเข้าไปเพื่อกันไม่ให้ความโกรธมันกลับคืนมาอีก นี่ถ้าหากว่าบุคคลไม่พิจารณาเห็นโทษของมันก่อนมันก็พอใจในความโกรธอยู่อย่างนั้นแหละใครทำอะไรไม่ให้ถูกใจมันก็โกรธมันก็เป็นอย่างนั้นเพราะมันมันชอบใจกับมันยึดถือเอามันไว้เนี่ยนพะอเมื่อมันโกรธอยู่ยงนั้นจิตใจมันก็เป็นอกุศลบางค่าวปัจจดีมาผมมีเมตตาอารี ช่วยเหลือเกื้อกูลกันข้าวเช่นนั้นถูกใจเกิดเป็นกุศลขึ้นนี่แหละใจพุทุชนคนธรรมดาสามัญเนี่ยมันพลิกไปพลิกมาอยู่อย่างนี้เพราะนั้นเราผู้ปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องพยายามเลยอย่าให้จิตมันพลิกจากกุศลไปทางอากุศลดังกล่าวมานั่นนะ่ะ เราต้องพยายามทำความรู้ตัวอยู่เสมอรู้ว่าร่างกายสังขาร น, นี่เป็นของไม่เที่ยงเป็นของแตกของดับเป็นของไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรนี่เรียกว่าภาวนาลงไปได้เห็นร่างกายตามเป็นจริงอย่างนี้ความหลงความเข้าใจผิดคิดว่าร่างกายนี่เป็นตัวเป็นตนมันก็ระงับดับไป ก็เชื่อว่าความหลงอันชั้นละเอียดมันดับลงเป็นงั้นความหลงชั้นหยาบนั่นเมื่อความหลงชั้นละเอียดมันดับไปแล้วความหลงชั้นหยาบมันก็ดับไปตามกันเช่นหลงเข้าใจผิดคิดว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายนอกเอสามารถช่วยบุคคลผู้อ้อ น, นวอนวงสวงให้คนทุกคนภยนัยต่างๆได้นี่เรียกว่าความหลงอย่างหยาบ ยัวยเห็นว่าบุญไม่มีบาปไม่มีโมนีนะทำบุญก็ไม่ได้บุญทำบาปก็ไม่ได้บาปอะไรนี่เห็นไปอย่างนี้เรียกว่าเป็นความเห็นที่เป็นฝักใฝ่ในทางอากุศลเรียกว่าความหลงความไม่รู้จริงตามไม่จริงอย่างนี้พิจารณาในใจของตัวเองดูว่า ความเข้าใจอย่างนี้มีไหมในจิตใจของตัวเองถ้าไม่มีก็แสดงว่าไม่หลงเนื่อทิวละความหลงประเภทนั้นออกไปแล้วเอา้าใครด่ามามันโกรธอยู่ไหมเอ๊ะฉับมันโกรธอยู่เหมือนกันแล้ววะนั่นถ้ามันโกรธอยู่แสดงว่ามันยึดถือเอาร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตน ก็ต้องรู้ตัวแหละเอาสอนใจใปรงให้วางรูปกายนี้ออกไปรูปนมามอันเนี้ยอสอนใจตัวเองให้ปรงให้วางเข้าอย่าไปถือว่าเป็นของตัวของตนมันเป็นทุกข์ห่วงแหนไว้ใครมาตำหนิทีเตียนน้อยหนึ่งก็ไม่ได้ยอมโกรธยอมโต้เถียงกันทะเลาะวิวาดกันไป ก็เพราะความถือตัวถือตนนี่แหละก็เมื่อสําคัญว่าร่างกายเป็นของตนมันก็ห่วงสิแบบ น, นี้นะไม่อยากให้ใครมาดุด่าว่ากล่าวทำ น, นี้ติเตียนเลยเนี่ยเราอยากรู้ได้ว่าจิตใจมันยึดมั่นถือมั่นอยู่ในขันห้านี่มันมีลักษณะอาการอย่างไรเราก็สังเกตตรงนี้แหละส่วนหนึ่งนะส่วนหนึ่งก็สังเกตวล า, าเก็บไข้ได้ป่วยลง เช่นนี้ล่ะจิตใจมันเป็นไงอ่ะมันพิจารณาได้ไหมมันรู้แจ้งอยู่ไหมขันห้าเนี่ยก็มันไม่เพี่ยงมันไม่ใช่ของเราอ่ะมันเป็นทุกข์ทนยากลําบากอ่ะมันรู้อยู่ไหมหรือมันหายไปไหนแล้วความรู้อันเนี้ยถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยลงมาแล้วก็ลืมอนิจจังทุกขังอนัตตาเสียแล้วจิตใจก็กระมวลกระไว้วันไหว่อทุกขเวทนา ไนั่นแหละเป็นเครื่องสอแสดงบอกว่ามันยึดมั่นอยู่ในขันห้าแล้วมันเป็นอย่างนั้นถ้าหากว่ามันพิจารณาได้อยู่พิจารณาเห็นชัดตาม จ, จริงอย่างว่านั้นแล้วมันอดทนต่อทุกขเวทนาได้ไม่ทนุนทุลายเกินขอบเขตถ้าไม่เหลือไปใส จ, จริงไม่แสดงออก ซึ่งความเจ็บปวดความทุกข์ภาวทนานต่างๆอย่างนี้เรียกว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้รู้เท่าขันห้าตามความเป็นจริงเพราะว่าขันห้านี่ไมไม่ใช่ของเราแล้วจะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันทำไมนี่ถ้าถ้าตนเห็นว่าไม่ใช่ของตนบังคับไม่ได้แล้ว ก็ไม่ควรที่จะไปเศร้าโศกเสียใจกับมันนี่เป็นธรรมดานะเหมือนยังของใช้ต่างๆภายนอกนี่แหละเมื่อเรารู้เท่ามันอยู่อย่างนี้ใช้ไปใช้มามันแตกเออมันแตกเราพิจารณาทันได้อืของอันนี้มันของแตกเป็นธรรมดาถึงเวลามันแตกมันก็แตกไปอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็ไม่ต้องไปเสียใจกับของที่มันแตกนั้นนะ พอรู้ความจริงมันนะของไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันยั่งยืนตลอดไปมันไม่ได้ในร่างกายนี้ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วจะให้มันยั่งยืนไม่ให้มันเจ็บไข้ได้ป่วยเมื่อให้มันวิบัติแปรปวนนี่ไม่ไม่ได้อืถ้ามันบังคับได้อย่างนี้น่ะมันก็มันก็ไม่เป็นแลของโมนีใช้ปัจจัยถนาให้มันเป็นอยู่นั้นแต่นี่มันบังคับไม่ได้ซี่ สาเหตุที่มันจะเป็นไปตามปกติธรรมดาของมันอ่ะอันนี้แหละเราพิจารณาเห็นอย่างนี้นะการพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าจิตใจเป็นไปในทางฝ่ายกุศลอกุศลไปว่าความฉลาดฉลาดในความจริงของชีวิตหรือฉลาดในเรื่องอื่นๆก็เหมือนกันนะออื <c oughs> คําว่ากุศลนั่น่ะมัน หมายเอาอย่างนี้ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นตัวเป็นรูปเป็นร่างอะไรอย่างนั้นที่ว่าผลบุญกุศลอํานวยให้มีความสุขความเจริญนั่นมันก็หมายความว่าเมื่อได้พิจารณาเห็นร่างกายขันห้าธาตุสี่อันนี้ไม่ใช่ตัวตนของตนไม่ใช่ของเราของเขาแล้วอย่างนี้มันก็ ก็ไม่ใช้ขันห้านี้ไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นใช้มันทำประโยชน์ตนและพวกอื่นเท่านั้นอย่างนี้นะทีนี้เมื่อเมื่อหมดบุญหมดวาดสนานี่ลงลงไปแล้วบุญกรรมที่ทำนี่มันก็อํานวยผลให้เป็นถุกในการต่อไปถ้าบุคคลไม่ไม่ฉลาดพิจารณาขันห้าไม่เห็นตามไม่จริงอย่างว่านี่นะ ไปยึดถือตัวตนอยู่มันก็เอาละไปทำบาปมาเลี้ยงมันเลยไม่มีอาหารดีๆเลี้ยงมันก็กลัวมันจะตายกลัวมันจะชารุดสุดโทมง่ายอา้าวถ้าจะไปซื้ออาหารตามที่เขาทําไว้ในตลาดเรียบร้อยแล้วก็ตัวก็ไม่มีเงินมากก็ไปเที่ยวจับสัตว์มาฆ่าทำเป็นอาหารรับประทานกันไป แต่ว่าคนผู้ที่ไม่เห็นแจ้งในเรื่องบาปบุญคุณโทษมั น, ม, นมันไม่มันไม่สะดุ้งหรอกนึกว่าเป็นเรื่องธรรมดาการทำมาหากิน น, ะนี่แหละไม่สะดุ้งเลยมันสะดุ้งตั้งแต่คนผู้ที่มาเห็นแจ้งในธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าเท่านั้นนะเห็นแจ้งว่าบาปนั้นมีจริงๆเราเชื่อคำสอนของพระ อ, องค์ เนี่ยน่ยผู้ใดเชื่อคําสอนของพระองค์แล้วผู้นั้นก็ไม่กล้าทําบาปพราะมันมีความรู้สึกอยู่ในใจนี่เสมอเสมอว่าการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นนี่นะเมื่อเราทําขอให้เป็นทุกข์อย่างนี้นะแล้ววันนี้ไอ้ความทุกข์นั้นจะไม่มาสนองตนนี่มันไม่มีในโลกนี้อืมถ้าเช่นนั้น ก็แสดงว่าทำบาปก็ไม่ได้บาปอะไรจะไปฆ่าคนตายทั้งคนก็ไม่มีผลอะไรตอบสนองอย่างนี้ห ม, มันผิดหลักธรรมดาพอพระพุทธเจ้าทรงตัดสรูปแจ้งแทงตลอดแล้วอย่างนี้ผู้ใดทํากรรมอรันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นถ้าผู้คนใดมาพิจารณาเห็นตามคําสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้มันก็ไม่เบียดเบียนกันเลย นันก็แสวงหาเลี่ยงชีบแต่โดยทางที่ชอบนั่นแหละนี่สำหรับผู้รู้นะผู้รู้ผู้เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ไม่รู้ไม่เข้าใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าก็มันมันไม่ฟังนะมันก็ทำบาปไปอย่างนั้นตามความต้องการของตัวเองในโลกอันนี้นะใครจะไปว่ากันก็ไม่ได้ต่คนก็มีสิทธิ์ที่จะทำดีหรือทำชั่ว เล่นเสียจะไปทําผิดกฎหมายอันนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดําเนินไปตามกฎหมายแหละถ้าไม่ไปทํากฎหมายบ้านเมืองแล้วทําผิดสินรมนี้ไม่มีใครลงโทษใครอะความชั่วผู้ผู้นั้นสังหากลงโทษตัวเองของผู้นั้นเองเอออย่างนี้ถ้ามันยังไม่ให้ผลในปัจจุบันนี้มันก็ให้ไปให้ผลในชาติหน้าต่อไปคนมันไม่ มันเหลืองใจเพราะเหตุนี่แหละทําชั่วบางอย่างลงไปแล้วเห็นสบายสบายอยู่เห็นเฉยอยู่นี่ไม่เห็นเป็นอะไรอย่างนี้เลยเข้าใจว่าทําบาปไม่เป็นบาปซะแล้วอืมก็ไม่เห็นมันเป็นอะไรนี่อืมมุขคนบางคนฆ่าควายขายเลี้ยงชีพยอยู่นั้นก็ยังมีชีวิตอยู่อย่างนั้นอืมสบายอยู่อย่างนั้นนี่ คนมันมองเห็นตั้งแต่การกระทำอันปัจจุบันนี่ว่ามันไม่มีผลตามสนองแล้วนึกว่าทำบาปไม่ได้บาปเลยทีนี้ก็ยังเคยพูดมาอยู่บ่อยๆอยู่เพราะชีวิตนี้มันมีบุญมีกรรมเป็นเครื่องนำมาเกิดแล้วก็มารักษาถ้ากรรมดีที่ผู้นั้นทามันยังไม่หมดอายุของมันมันก็รักษาชีวิตนี้ไว้ก่อน ยังไม่ให้เดือดร้อนอะไรเลยไอบาปที่เขาทําในปัจจุบันนี้นะยังให้ผลไม่ได้เมื่อบาปในปัจจุบันนี้ใยังให้ผลไม่ได้มันก็ไม่ทุกร้อนอะไรแหละมันจะฆ่าโว้ควายวันละกี่ตัวก็มันก็แค่นั้นแหละความรู้สึกนะอะมันก็เป็นอย่างนั้นแต่แล้วทีนี้นั่นสิเมื่อมันไม่ผลในปัจจุบันนี้เวลาจวนจะสิน้นสิบทําลายขัน มันก็แส ด, แดงออกมาแล้วว่นนี้นะเหมือนอย่างอันคนฆ่าหมูขายอยู่ใกล้วัดเชตวันนะเมืองสาวัตถีนั่นนะเมื่อฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพยอย่างนั้นมาเป็นประจำแล้วไม่เคยได้ทำบุญทำทานอะไรเลยอยู่ใกล้วัดก็จริงนะแต่มาเข้าวัดไม่ทำบุญนะ บันนี้เมื่อเวลาเขาเจ็บหนักลงมาแล้วเขาก็ร้องเหมือนกับเสียงหมูเล่วยวันนี้ร้องเหมือนเสียงหมูได้ยินเข้าไปถึงในวัดบ้นนี้พระทั้งหลายก็วิจารณ์กันเอ๊ะมันเสียงนีหมูร้องนะนี่ว่ากันคนฆ่าหมูหรือไงนะ่ไม่ถึงเวลานะยังหัวค่ำอยู่ไม่ควรจะฆ่าหมูว่ากัน ทรงแสดงให้ภิกษุหลายฟังว่านั่นไม่ใช่คนฆ่าหมูคนที่ฆ่าหมูขายเลี้ยงชีพนั่นแหละมันเจ็บป่วยแล้วมันแสดงอาการของหมูเวลาจวนจะตายดิ้นกระสับกระสายแล้วร้องไปมาอยู่นั่นน่ะนั่นเรียก ว, ว่า อกุศลกรรมมันเริ่มจะให้ผลแล้วนั่นนะ่ะมันแสดงบอกแล้วอืมพอตายลงท่านี่บาปกรรมก็ฉุดคล้าไปสู่นรกอบายภูมินี่มันเป็นอย่างนั้นตรงกันข้ามผู้ที่ทำบุญทุนทานไหวยพระภาวนาอย่างนี้อเวลาเจ็บหนักลงก็มีกุศลกรรมนิมิตเกิดขึ้นเห็นพระเห็นเจ้า แล้วก็อุ่นใจยกมือไหว้ อ, อะไรอย่างนี้นะเห็นผู้เห็นคนก็เห็นแต่คนดีๆหน้าตาสละสลวยหน้าคบหาสมาคมเห็นบ้านเห็นเรือนอะไรก็มีแต่ของสวยๆงามๆเห็นถนนนนททางก็มีแต่ถนนเรียบราาไม่ลรุข่าไม่ลกครุงลังนั่นเรียก ว, ว่านิมิตแห่งบุญกุศลมาปรากฏในใจ ของผู้นั้น mm. เมื่อเวลาที่ยังไม่ จ, จวนยังไม่ทันใกล้จะตายมันก็ยังไม่ปรากฏก่อน mm. มันเป็นอย่างนั้นแต่บางคนมันก็ปรากฏแต่ก่อนตายหนึ่งก็มีปรากฏแต่ยังดีๆอยู่ก็มีแต่บางคนก็ไปปรากฏเอาตอนเวลาจวนจะสิ้นชีบทำลายกัน mm. พอไปเห็นอิมิตดีๆนะมันก็ลื่นเลิงบันเทิงใจสิ่ะนี้นั่นเนี่ยแม้ว่าจะโครคภัยจะบีบพันเอาทุกขเวทนาเกิดขึ้นยังไงก็ตามแต่จิตใจนั้นก็ล่าเลิงบันเทิงอยู่ด้วยบุญกุศลที่ตนรวบรวมไว้ในใจแล้วมันแสดงออกให้เห็นในเวลาจวนจะสินส้นซีบนี่นีบแสดงตามในหนังสืออภิธรรม ท่านแสดงไว้นะ ม, มันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นแหละให้สังเกตดูเวลาที่เรายังมีชีวิตดีๆอยู่เนี่ยนอนหลับไปฝันเป็นยังไงอ่ะถ้าฝันเห็นบ้านเรือนในลกปรุงลังชนุดสุดสมอนานาสแสดงว่าจิตยังเป็นอกุศลอยูอ่อย่างนี้หละต้อง ต้องมากรวดดูจิตใจตัวเองให้ดีมันยังมีอกุศลอะไรแทรกแซงอยู่ถ้าฝันไปเห็นสถานที่ต่างๆอาคารบ้านเรือนก็ไม่สะอาดสะอ้านอย่างว่านั้นแหละถนนหน้ น, น, น, นทางก็ดีครุขักเป็นลุ่มเป็นบ่ออะไระเดินไปมาก็ไม่สะดวกเลย นั่นอากุศนกมณิมิตมันแสดงบอกแต่เวลายังดีๆอยู่เนี่ยคล้ายๆมาเตือนใจให้รู้อ่ต้องเพียนนะต้องเพียนไม่ยามละอาุศลนะถ้าไม่ละไม่ากเพียนละอาุศลแล้วตนจะได้รับความทุกข์ต่อไปอมันมีอากุศนกมณิมิตนิมิตมาบอกเหตุอย่างนั้นให้สังเกตดู ถ้าจิตใจเราเป็นกุศลยจริงๆไม่มีบาปมาแทรกแทงอย่างนี้นอนหลับไปก็ฝันดีฝนนันไปยังไงก็ไม่มีความเดือดเนื้อร้อนใจเห็นตั้งแต่สิ่งที่เจริญตาเจริญใจอย่างนั้นนั่นเราก็รู้ได้เลยว่าจิตเป็นกุศลแท้ ในบำเพ็ญกุศลให้เกิดในจิตใจของตนอยู่มันมีเครื่องหมายบอกอยู่นะเรื่องบุญเรื่องบาปนะในใจของคนเราเนี่ยนะให้พากันสังเกตดูเพราะฉะนั้นเนะี่ยเมื่อเข้าใจอย่างนี้แล้วก็ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจภาวนาต่อไปในการะบัดนี้